4. สัญญาปณิยาทิว่าด้วยการชี้แจงเป็นต้น387อถามอะไรชื่อว่าชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงตอบภิกษุเมื่อแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมชื่อว่าชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรม ชื่อว่าช palabra, า good, ี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงละเมื่อแสดงอาบัต์ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัต์ชั่วหยาบชื่อว่าชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงเมื่อแสดงอาบัต์ไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัต์ไม่ชั่วหยาบชื่อว่าชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงภิกษุชื่อว่าชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงด้วยอาการอย่างนี้ ว่าด้วยการพิจารณา388ถามอย่างไรชื่อว่าพิจารณาในฐานะที่ควรพิจารณาตอบภิกษุเมื่อแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมชื่อว่าพิจารณาในฐานะที่ควรพิจารณาเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าพิจารณาในฐานะที่ควรพิจารณาและ เมื่อแสดงอาบัต์ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัต์ชั่วหยาบชื่อว่าพิจารณาในฐานะที่ควรพิจรารณาเมื่อแสดงอาบัต์ไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัต์ไม่ชั่วหยาบชื่อว่าพิจารณาในฐานะที่ควรพิจารณาภิกษุชื่อว่าพิจารณาในฐานะที่ควรพิจารณาด้วยอาการอย่างนี้ว่าด้วยการเพ่งเล็ง สามถามอย่างไรชื่อว่าเพ่งเล็งในฐานะที่ควรเพ่งเล็งตอบภิกษุเมื่อแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมชื่อว่าเพ่งเลงในฐานะที่ควรเพ่งเล็งเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าเพ่งเล็งในฐานะที่ควรเพ่งเล็งละเมื่อแสดงอาบัติชั่วยาบ ว่าเป็นอาบัต์ชั่วหยาบชื่อว่าเพ่งเลงในฐานะที่ควรเพ่งเลงเมื่อแสดงอาบัตรไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัต์ไม่ชั่วหยาบชื่อว่าเพ่งเลงในฐานะที่ควรเพ่งเลงภิกษุชื่อว่าเพ่งเลงในฐานะที่ควรเพ่งเลงด้วยอาการอย่างนี้ว่าด้วยการเลื่อมใส390ถาม อย่างไรชื่อว่าเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสตอบภิกษุเมื่อแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสละเมื่อแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วยาบชื่อว่าเลื่อมใส ในฐานะที่ควรเลื่อมใสเมื่อแสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วหยาบชื่อว่าเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสภิกษุชื่อว่าเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสด้วยอาการอย่างนี้